วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยสัตว์ผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า พระธรรมนี้เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่ได้เห็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ไม่สามารถมองเห็นได้คำสอนของท่านไม่ เรียกว่าเป็นสวะขาโตพระกวะตาธรรมโมคือเป็นความจริงคําสอนที่ตรงกับหลักความเป็นจริงทุกประการแล้วก็เป็นความจริงที่คนสามัญอย่างพวกเรานี้ไม่สามารถรู้หรือไม่สามารถเห็นได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นคืออะไร ก็คือนรกสวรรค์และเหตุที่พาให้ไปนรกไปสวรรค์ก็บุญก็คือบุญและบาปนี่ทำบุญแล้วก็จะทำให้จิตของผู้ทำบุญนั้นได้ไปสวรรค์กันถ้าทำบาป ก, ก็จะได้ไปนรกไปอบายกันนี่คือ ความจริงที่พวกเรานี้ยังมองไม่เห็นกันเพราะพวกเราถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนตาบอดดีๆนี่ส่วนข้อพุทธเจ้าเป็นคนตาดีลองหลับตาดูก็แล้วกันถ้าเราหลับตาแล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าและรอบตัวเราได้ แต่คนที่เขาดึงตาเขาสามารถเห็นสิ่งต่างที่มีอยู่ข้างหน้าและรอบตัวเขาได้เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้ากับพวกเราแต่ตาที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนี้ไม่ได้เป็นตาของร่างกายแต่เป็นตาในตาของจิตใจการที่จะเห็น สวรรค์เห็นนรกเห็นบุญเห็นบาทนี้ยัาเป็นที่จะต้องใช้ตาไหนมองตานอกคือตาของร่างกายนี้เห็นแต่รูปภาพเห็นแต่สีต่างๆสีเขียวสีแดงสีดำสีเหลืองเห็นรูปร่างของสัตว์ของบุคคลต่างๆเห็นต้นไม้เห็นใบหญ้าเห็นอะไรต่างๆล่าแบบนี้ แต่ไม่สามารถมองเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเห็นบุญหรือเห็นบาปได้นอกจากเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วยังเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆของดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งปวงด้วย <Yeah. S 2> เห็นว่าดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว ดวงวิญญาณของเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบายแล้วก็จะกลับมาได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งนงต่อไปนี่คือวิญญาณของพวกเราทุกคนยังตกอยู่ในสภาพของการเดินทางอยู่ เป็นนักเดินทางในสังสารวัตสังสารวัตก็คือไตรภพนีตรภพนี้ก็มีทั้งกามภพรูปภพและอรูปภพเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายยกเว้นดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นที่ไม่ มีการเวียนว่ายตายเกิดในตายพอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุทรงเห็นด้วยการเปิดตาในของพระองค์ตาในนี้สามารถเปิดได้แต่ตอนนี้พวกเราปิดตาในกันเปิดตานอกกันตานอกก็คือตาของร่างกาย ถ้าเราต้องการที่จะเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาในเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงวิญญาณต่างๆเห็นอิทธิพลของบุญและของบาปที่มีแต่ต่อดวงวิญญาณของแต่ละดวงเห็นเหตุที่ดึงให้จัตโลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆจำเป็นที่จะต้อง ปิดตานอกแล้วก็เปิดตาในาถึงจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้พระพุทธเจ้านี้หลังจากที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาในาแล้วก็เอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีเปิดตาในา ให้มาหัดเรียนวิธีเปิดตาในกันเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่ตานอกไม่สามารถเห็นได้ตานอกไม่สามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ไม่สามารถเห็นมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถเห็นดวงวิญญาณต่างๆที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายครบได้ ต้องมาหาวิธีเรียนวิธีเปิดตาในกันเมื่อเรารู้จักวิธีเปิดตาในแล้วเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะเป็นของที่ไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทุกคนดวงวิญ ญ, ญาณทุกดวงวิญ ญ, ญาณที่มีตาในนี้มีสิทธิ์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเงแต่ว่าต้องเรียนรู้วิธีเปิดตาในของตนเองเท่านั้นเพราะตอนนี้พวกเราถูกโมหะอวิชชาความมืดบอดมาปิดตาในของพวกเรานี่จึงทำให้พวกเรานี้ใช้ตาในไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ตานอกเพียงอย่างเดียว ใช้ตาหูจมูกร่างกายเพื่อไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพัพะชนิดต่างๆจึงทาให้เราคิดว่าโลกนี้ก็มีเพียงแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดตาพะที่เราสัมผัสรับรู้ด้วยตาหูจมูกร่างกายของพวกเราเท่านั้นพวกเราจะไม่รู้ว่ายังมีสิ่งที่ตา หูตาจมูกนิ้วกายของร่างกายนี้ไม่สามารถเห็นได้เช่นเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องราวเหล่านี้ ถ้าไม่ใช้ตาในเปิดดูจะไม่เห็นนั้นคนที่ศึกษาสิ่งต่างๆความรู้ต่างๆในโลกนี้ด้วยตาหูจมูกเิ่นกายนี้จะปฏิเสธว่าไม่มีหรอกนรกหรือสวรรค์ไม่มีหรอกเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ จบที่ร่างกายนี้พอร่างกายนี้จบแล้วรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภาก็จบไปสิ่งต่างๆที่ได้ทำมาก็จบไปไม่มีใครไปรับผลของสิ่งต่างๆที่ได้ทำไว้เช่นบุญหรือบาปหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เขาจะไม่สามารถเห็นเรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยตานอกคือด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายถ้าเขาไม่เข้ามาศึกษาวิธีเปิดตาใน <c oughs> เขาจะไม่รู้ว่ายังมีโลกอีกโลกหนึ่งโลกภายใน <c oughs> เหมือนกับเปรียบเทียบโลกที่อยู่ ใต้น้ำถ้าเราไม่ดำน้ำลงไปถ้าเราไม่มีเครื่องประดาน้ำไม่มีเราก็จะไม่สามารถเห็น ส, สิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวน้ำได้ถ้าเราอยู่บนน้ำเราก็จะบอกว่าใต้น้ำนี่มองไม่เห็นเลยไม่เห็นมีอะไรมีแต่น้ำแต่ถ้าเรามีเครื่องมีหน้ากากมีเครื่องหายใจ เราลงไปอยู่ใต้น้ำได้นานๆเราจะเห็นว่ายังมีอีกโลกหนึ่งซึ่งต่างจากโลกที่เราอยู่บนดินนี้จะมีปลาชนิดต่างๆวิสัตวชนิดต่างๆที่ว่ายเวียนอยู่ในในน้ำนี้มากมายกายกองแต่เราไม่มองไม่เห็นกันการไม่มองไม่เห็นอะไรของพวกเรานี้ไม่สามารถไปปฏิเสธว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่มีได้ เราต้องถือหลักนี้ไว้ก่อน ส, สิ่งใดที่ตาในของพระพุทธเจ้ารู้เห็นเช่นนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดตายพบพบต่างๆการมาพบรูปพบอารูปพบหรือมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องเห็นได้ด้วยตาใน ถ้าเรามองด้วยตานอกคือตาของทางร่างกายเราจะมองไม่เห็นและเมื่อเรามองไม่เห็นเราอย่าไปปฏิเสธว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นไม่มีเพราะมีคนที่เขาเห็นแล้วเขามาพูดมาเล่าให้เราฟังเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาธรรมอันประเสริฐเนี่ยสว่าขาโตพระกวตาธรรมโมเนี่ยธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว คือทำที่เป็นความจริงทุกประการแต่เป็นความจริงทางด้านภายในที่จะต้องใช้ตาในคือจะต้องใช้ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้มองถึงจะเห็นถ้าเราไม่เปิดตาในเราจะไม่มีวันเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้นนาเอามาเล่าให้พวกเราฟังกันดังนั้นสิ่งที่เราไม่ควรที่กระทาก็คือ ไม่ควรไปปฏิเสธสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นอันขาดเพราะมันจะทำให้เราปิดโอกาสอันดีของเรานั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่เป็นความจริงเราก็จะไม่ไปสนใจที่จะไปติดตามไปดูไปทดลองไปทดสอบดูกันเราก็จะพลาดโอกาสอันงามที่จะได้รู้เรื่องราวที่ สำคัญต่อตัวของเราเองตัวของเราที่สำคัญนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องตายไปแต่อีกส่วนหนึ่งของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายส่วนนี้เรียกว่าจิตใจหรือดวงวิญญาณตัวนี้ไม่ตายไปกับร่างกาย ตัวนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปท่องในตไตพบจะไปท่องในกามภพบรูปพบอรูปพบจะไปท่องในสวรรค์หรือไปท่องไปในอบายไปในนรกคือใจดวงนี้ถ้าเราไม่สนใจศึกษาถ้าเราปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราปล่อยให้ใจไปตามยถากรรม ใจก็จะล่องลอยไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะว่าภายในใจนี้มีสิ่งที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหาโมหะวิชาตัวที่คอยชักจูงหรือดึงใจของเราให้ไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองที่จะดึงใจของเราให้ไปสู่อบายไปสู่นรกอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ให้ความสนใจ เราก็จะถูกกิเลสตัณหานี้ครอบงาจิตใจของเราไปทุกภพทุกชาติและเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะไดเ้เวียนว่ายในสุ ข, ขติคือพบที่มีแต่ความสุขเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในพบที่มีแต่ความทุกข์ถ้าเราปฏิเสธ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนามาเล่าให้พวกเราฟังกันแต่ถ้าพวกเราไม่ปฏิเสธแล้วก็เชื่อเชื่อแบบไม่ใช่เชื่อแบบงมงายคือม่ไม่ได้เชื่อแบบเฉยเฉยเชื่อแบบเพื่อนำเอาไปพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นสันติโก เป็นธรรมที่ผู้เชื่อผู้มีศรัทธานี้สามารถเอาไปพิสูจน์ได้เอาไปตรวจสอบดูได้ว่ามีจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่การสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้น ที่ผู้มีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถพิสูจน์รู้เห็นได้ด้วยตนเองเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์แทนเราได้ถึงแม้เขาพิสูจน์ได้เขาก็รู้ของเขาแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีถ้าเขาเพื่อเราไปศึกษาไปปฏิบัติจนเขาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพาน เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นกฎแห่งกรรมเขารู้แล้วเขาบอกว่าเขารู้แล้วเราบอกเราเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีเพราะของอย่างนี้มันเป็นของที่บอกเล่าเฉยๆไม่ได้การบอกเล่านี้เป็นเพียงชักจูงเป็นการเชื้อเชิญให้พวกเราลองไปพิสูจน์ดูไปลองไปดูด้วยตนเองดังนั้นนอกจาก การเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีศรัท ธ, ธากอย่าปฏิเสธแต่ไม่ใช่ศรัท ธ, ธาแบบงมงายคือศรัท ธ, ธาแต่ไม่ปฏิบัติไม่ทำตามหรือทำตามแบบไม่ไม่ครบองศาไม่ครบท้วนบริบูรณ์คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ที่สอนให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นคำสอนที่เราต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน เราถึงจะสามารถพิสูจน์สิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้แต่ถ้าเราเพียงแต่มีศรัทธาความเชื่อแล้วเราก็ทำเป็นเพียงบางส่วนหรือทำเพียงเล็กน้อย mm hmm. เช่นกราบไหวบูชาพระพุทธรูปหยุดทูบเทียนแล้วก็อาจจะถวายข้าวให้กับพระพุทธรูปอย่างนี้ ถ้าเชื่อแบบนี้ยังถือว่าเป็นการเชื่อแบบงมงายอยู่การเชื่อนี้ไม่ได้เชื่อพระพุทธรูปไม่ให้บูชาพระพุทธรูปการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูปสมัยที่มีพระชนอยู่มีคนนำพระพุทธรูปมาถวาย พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเราเธออย่าไปกราบไหว้สิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือคําสั่งคําสอนตัวเราคือธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือชื่อที่พระพุทธเจ้าเรียกตนเองเวลาพระพุทธเจ้ากล่าวถึงตนเองจะเรียกตนเองว่าตถาคต ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมและผู้ที่จะเห็นตถาคตเห็นธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีการปฏิบัติบูชานั่นเองก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าต้องการบูชาพระพุทธเจ้านี้ อย่านำเอากับข้าวกับปลาหารไปตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูปพระพุทธรูปกินของเหล่านี้ไม่ได้พระพุทธรูปนี้เดิมทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้มีแต่เนื่องจากความเคารพความคิดถึงในตัวพระพุทธเจ้าจึงทำให้ชาวพุทธบางคนนี้อดไม่ได้ที่จะสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อให้เราล้ำลึกถึงตัวพระพุทธเจ้า แต่ก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็ไปกราบว่วบูชาพระพุทธรูปแล้วก็ขอพรจากพระพุทธรูปขอพรต่างๆขอให้ได้ไปสวรรค์ขอให้ได้ไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นถ้าเชื่อแบบนี้เรียกว่าเชื่อแบบงม ง, งายเชื่อแบบไม่มีผลไม่เกิดผลแต่อย่างใดการเชื่อที่ ไม่งมงายความเชื่อที่เป็นไปตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือต้องให้เชื่อในการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อด้วยการศึกษาวิธีการปฏิบัติทาขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะ เห็นธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราเห็นธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นตัวพระพุทธเจ้าเลยตัวพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าคือวิญญาณของพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในไตรภพเหมือนพวกเราเหมือนวิเหมือนดวงวิญญาณของพวกเรา พวกเรายัางอยู่ในใจพบอยู่อยู่ในสังสารวัฏอยู่ในพบของการเวียนว่ายตายเกิดคือการมาพบพบของผู้เสพการรูปประพบพบของผู้เสพรูปประชานและอรูประพบคือพบของผู้เสพอรูปประชานทั้งสามพบนี้เป็นพบที่ผู้ที่ยังไม่ได้ หลุดพ้นออกจากสังสารวัฏยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ผัดเปลี่ยนกันไม่ว่าจะอยู่ภพไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่แล้วตายไปก็กลับไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆถ้าเป็นผลของกรรมของบาปก็จะไปรับผลในอบาย อบายมีสี่ช่องด้วยกันช่องมนุษย์ช่องเดรัจฉานช่องเปรตช่องอสุรกายช่องนรกนถ้าทาบุญก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์หกชั้นด้วยกันถ้าฝึกสมาธิเข้ารูปประชานได้ก็ไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นรูปประพงศ์ถ้าเข้าสมาธิในระดับอรูปประชานได้ ก็จะไปอยู่สวรรค์ในระดับของอรูปประภมแต่ไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนหรืออยู่อบายช่องใดเมื่อบุญหรือบาปที่ส่งให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในที่เหล่านั้นหมดกาลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกับร่างกายของมนุษย์ใหม่มาทําบุญทาบาปใหม่นี่คือลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิด ของดวงวิญญาณของของของสรรโลกทั้งหลายที่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้ามีโอกาสได้มาเกิดในภพของมนุษย์แล้วได้มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้เช่นตอนนี้ ตอนนี้เรามีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่มีตัวพระพุทธเจ้าเองแต่เรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยูสอ่สองแหล่งด้วยกันสองส่วนด้วยกันคือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคําสั่งคําสอนของแท้ของจริงที่พระเจ้าได้ส่งสวร ทรงสอนไว้ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการจดจําแล้วก็มีการบันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกเราสามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกได้เราก็จะสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้นอกจากแหล่งพระธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้ว ก็ยังมีอีกแหล่งหนึ่งก็คือพระธรรมคำสอนที่อยู่ในจิตใจของพระอริยสงสาวกทั้งหลายพระอริยสงสาวกมีอยู่สี่ระดับโสดาบันสกิร ด, ดาคามีอาณาคามีและอารหันต์จิตใจของพระอริยบุคคลนี้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในใจมากน้อยต่างกันไปตามตามลำดับของการได้บรรลุ ถ, ถึง แต่ก็เป็นผู้ที่เป็นแหล่งของธรรมะที่เราสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้ดเราต้องเข้าหาความรู้ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระสุปฏิปันโนพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อเราเอาไปปฏิบัติเราก็จะค่อยๆเปิดตาในของเราขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยทําให้เราเริ่มมองเห็นการทําบุญการทําบาปว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของพวกเราอย่างไรทําให้จิตใจของพวกเราเป็นสวรรค์เป็นอบายขึ้นมาได้อย่างไรเราจะเริ่มไม่เราจะเริ่มคลายความสงสัยเราจะเริ่ม มีความเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมากขึ้นไปตามลำดับ น, นี่คือความเชื่อต้องเชื่อด้วยการศึกษาด้วยด้วยการพิสูจน์พระเจ้าบอกธรรมะเป็นสันติติโกผู้มีจิตศรัทธาในคำพระธรรมคำสอนนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองต้องพิสูจน์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะเริ่มเห็นธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่พระธรรมอันวิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี้เป็นของจริงหรือไม่มีจริงอยู่ไหมเช่นตายพบสังสารวัฏวีนว่ายตายเกิดโกด่งกรรมมรรคผลนิพพาน สิ่งเหล่านี้มีจริงเท่านั้นเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดตาในที่จะสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เพราะตอนนี้เราใช้แต่ตานอาเราหาเราใช้ตาของร่างกายหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรามาให้เป็นที่พึ่งให้กับเราแต่มันเป็นที่พึ่งที่ไม่ถาวร น, นั่นเองมันเป็นที่พึ่งชั่วคราว ที่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงพอร่างกายตายไปปั๊บนี่ใจของเราก็จะไปรับผลของบุญของบาปที่เราทำกันทันทีถ้าเป็นบุญเราก็จะได้ความสุขใจบุญนี้แปลว่าความสุขใจแล้วก็นรกเรือบาดนี้หรือบาดนี้ เรียกว่าเป็นความทุกข์ใจการทำบาปก็จะทำให้เรามีความทุกข์ใจเวลาใจทุกข์เราก็เรียกว่าใจอยู่ในอบายอยู่ในนรกเวลาที่ใจเราสุขเราก็เรียกว่าใจนี้อยู่ในสวรรค์คือต้องเข้าใจว่าสวรรค์หรือนรกหรืออบายนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพจิตใจของพวกเราเอง ถ้าเราอยากจะดูหนังตัวอย่างของนรกหรือของสวรรค์นี้เป็นอย่างไรนี่เราสามารถดูได้ตอนที่เรานอนหลับนี่เวลาที่เรานอนหลับนี่เปรียบเหมือนกับที่เราตายเพราะตอนนั้นร่างกายของเราไม่ทํางานไม่เคลื่อนไหวไม่ดูไม่ฟังไม่ทําอะไรทั้งนั้นตอนนั้นร่างกายพักผ่อนหยุดการทํางานทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เปรียบเหมือนกับคนตายดีๆนี่งตอนที่เรานอนหลับกันนี่เวลาคนตายเขาก็หยุดทํางานเหมือนกันเวลาร่างกายที่ตายเขาก็หยุดรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะทางตาหูจมูกทิ้นกายเวลาที่เรานอนหลับก็เหมือนกับการตายชั่วคราวดีๆนี่แต่ตอนที่เราตายนี้ใจของเรานี้ <c oughs> ยังอยู่กับร่างอยู่แล้วใจของเรานี้ยังแสดงอาการ ต่างๆให้เราได้รับดูอยู่คืออาการที่เกิดในในความฝันนี่เวลานอนหลับเรามักจะฝันกันถ้าเราฝันดีอันนี้แหละคือเรียกว่าสวรรค์ฝันแล้วมีความสุขฝันว่าได้ไปพบกับสิ่งที่ดีที่งามได้ทำในสิ่งที่ดีที่งามได้ได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีที่งามมีความสุข ตื่นขึ้นมายังไม่อยากจะอยากจะตื่นยังอยากจะกลับไปนอนต่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าตอนที่เราตื่นซิ <Yeah. S 1> อันนี้นี่แหละคือตัวอย่างของสวรรค์สวรรค์ส่วนนรกก็เช่นเดียวกันก็เวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันร้ายนี่แหละฝันไม่ดีฝัน่ามีแต่เหตุการณ์ที่ไม่ดีที่มาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับตัวเราในลักษณะต่าง อาจจะมีคนตามฆ่าเราอาจจะถูกเขาแกล้งถูกเขาทรมานถูกเขามาแย่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆที่เราไม่อยู่ไปเวลาเราตื่นขึ้นมานี่บางทีเหงือยังตกพลาคิเลยร่างกายเปลี่ยนท่วมตัวเพราะความกลัวอันนี้แหละคือนรกหรืออบายดีดนี่นี่คือหนังตัวอย่างตัวอย่างของสวรรค์และนรก มันอยู่ในใจของเราดังที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่านาลกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจนีมันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนประเทศนั้นประเทศนี้ที่เราไปเอาไปกันมันเป็นเรื่องของการแปลสภาพจิตใจของเราจากร้อนให้กลายเป็นเย็นหรือจากเย็นให้กลายเป็นร้อนเหมือนกับบ้านเราสมัยนี้เราก็แปลสภาพอุณหภูมิในบ้านเราได้ถ้าร้อนเราก็ทําให้มันเย็นได้ ถ้าเย็นหนาวแล้วก็ทําให้มันอุ่นได้เนี่ยแหละคือสภาพของจิตใจของพวกเราแล้วสิ่งที่มาแปลงสภาพของจิตใจเราให้ร้อนหรือเย็นก็คือบุญหรือบาปนีเ่เวลาเราทําบุญแล้วใจเราจะเย็นจะมีความสุขเวลาทําบาปแล้วใจของเราจะร้อนจะมีความทุกข์แล้วมันจะสะสมอยู่ในใจไปเรื่อยๆ แล้วมันจะมันรอโอกาสที่จะแสดงผลตอนที่ร่างกายไม่ทํางานเวลาร่างกายนอนหลับหรือเวลาร่างกายตายไปเวลานั้นนะ่ะบุญหรือบาปมันก็จะแสดงผลของมันได้อย่างเต็มที่อย่างไม่มีการขาดตอนแต่ถ้าขณะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้บุญหรือบาปนี้มันอาจจะแสดงผลได้ชั่วแป๊บเดียว พอเรามีการกระทํามีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเราทําบุญแล้วก็มีความรู้สึกดีเดี๋ยวเราก็ไปทะเลาะ ก, กับคนนั่นคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกไม่ดีตามมาดังนั้นความรู้สึกของเราแต่ละวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการกระทําของเราเวลาเราทําความดีทําบุญเราก็มีความสุขใจเวลาเราไปทําบาปทําไม่ดีเราก็มีความทุกข์ใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนทําให้เรา <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแต่เราจะมาเห็นการกระทำที่มันต่อเนื่องก็ตอนที่เรานอนหลับนอนหลับหรือตอนที่เราตายไปบุญกับบาปนี้มันแสดงผลพร้อมๆกันไม่ได้ต้องเข้าใจเนะเหมือนกับเครื่องปรับอากาศความร้อนกับความเย็นนี้มันทำงานพร้อมกันไม่ได้เราจะไม่ให้มันทำงานพร้อมกันเพราะมันจะตีกันมันจะทางานผัดกันทา ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าเครื่องทำความเย็นมีกำลังมากกว่าเครื่องทำความร้อนมันก็ทำให้เครื่องทให้ห้องเย็นถ้าเครื่องทำความร้อนมันมีกำลังมากกว่าเครื่องทำความเย็นในห้องมันก็จะร้อนขึ้นมาจะนด้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้ใจของเราทุกร้อน ถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้ใจเราสุขใจเราเย็นนี่แหละคือนรกหรือสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้ในใจของพระพุทธเจ้าเองอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของสัตว์โลกแต่เนื่องจากสัตว์โลกไม่เปิดตาในดูกันเราไม่เปิดเราไม่ดูในข้างในเราไม่ค่อยดูใจเราไม่ค่อยสังเกตใจเราเท่าไหร่เราคอยมัวแต่ดูข้างนอก หรือว่ามีอะไรให้เราหาความสุขมีอะไรให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จนทำให้เราไม่มองไม่เห็นว่าเวลาเราสุขเราทุกนี้มันอยู่ในใจของเราเองนี่เราไปมองว่าเราสุขเพราะว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราทุกเพราะว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราก็เลยไปมองผิดจุดเราก็เลยมองไม่เห็น สวรรค์และนรกที่เกิดขึ้นอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลาเช่นตอนนี้ใจเราเย็นใจเราสงบตอนนี้ใจเราก็ได้สวรรค์ขึ้นมาแล้วแล้วอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นสูงด้วยเป็นสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ที่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากเรื่องราวทางทางตาหูจมูกลิ้นกาย คือเรื่องรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆตอนนี้ใจของเรามันตอนนี้มีความสงบมีความสุขแล้วแต่มันก็สงบได้เดียวเดียวเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนที่ไปทำนูน่นทำนี่เราก็จะเกิดมีความรู้สึกเปลี่ยนไปได้ถ้าเกิดเราไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็จะเกิดความทุกข์ใจวุ่นวายใจขึ้นมาได้ตอนนั้นเราก็เหมือนกับตกลงจากสวรรค์นะ แล้วกลับลงมาสู่อบายหรือนรกได้นี่คือเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกนี้อยากจะให้เข้าใจให้รู้ว่ามันอยู่ในใจของเรามันไม่ใช่สถานที่ถ้าเราไปคิดว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยก็เขาส่งจรวจขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์ก็ยังไม่เจอสวรรค์เราไม่ดีหรอกสวรรค์มันไม่ได้อยู่บนทองฟ้าแล้วก็นรกมันก็ไม่ได้อยู่ใต้ดิน เขาจาะขุดลงไปใต้ดินก็ได้แต่น้ํามันขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านารกสวรรค์นี้มันไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นโลกกทาตโลกกราตไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นรกสวรรค์นี้อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็คืออยู่ในใจของพวกเราใจของพวกเราตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในโลกกทาตไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นเหมือนฝาแฝด เป็นสยสยามที่อยู่ติดกันแต่อยู่คนละโลกกันร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุอยู่ในโลกของธาตุสี่คือดินน้าลมไฟแต่โลกของดวงวิญญาณหรือของใจของเรานี้อยู่ในโลกทิพย์อยู่คนละโลกกันแต่เชื่อมติดกันเชื่อมติดต่อกันได้ด้วยกระแสของวิญญาณของจิตจิตนี้หรือใจนี้หรือดวงวิญญาณนี้สามารถส่งกระแสการรับรู้ มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้จึงทำให้ใจนี้ที่อยู่อีกโลกทิพหนึ่งสามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของร่างกายได้เราต้องเข้าใจว่าอยู่คนละโลกกัน เ, นเวลาร่างกายเป็นอะไรหรือเกิดเหตุการณ์โลกนี้เกิดระเบิดมีสงคราม w ิวเคลียร์ระเบิดตูมคนตายหมดนี่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกนี้เหมือนกับสมัยนี้ที่เราใช้การติดต่อกับคนทางระบบสื่อสารคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศอีกคนหนึ่งอยู่ในประเทศเวลาเกิดเหตุการณ์ในต่างประเทศขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ทำให้คนที่ในต่างประเทศตายไปเริ่มมีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำให้คนที่อยู่อีกปลายทางอยู่ประเทศนี้เป็นไปด้วย อยู่คนละโลกกันอยู่คนละประเทศกันแต่สามารถติดต่อสั่งการกันได้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ผ่านกระแสวิทยุโทรศัพท์นี่องฉัในใดใจกับร่างกายก็ติดต่อกันผ่านกระแสของวิญญาณวิญญาณในตะในรูปเสียงกลิ่นรสผดถภะเรียกว่าวิญญาณห้าวิญญาณในขันห้านี่คือ เรื่องที่จะพูดเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจให้รู้ว่านารกสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเนี่แต่อยู่ในใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ในโลกนี้ต่อให้ไปค้นหาที่ไหนก็ตามจะไม่มีวันเจอนรกหรือสวรรค์เป็นอันขาดแต่ถ้ามองเข้าไปที่ใจแล้วจะเห็นทันทีเห็นว่านารกหรือสวรรค์นี้อยู่ในใจของเรานี่เองเก็จากบุญหรือบาปที่เราทํากัน ถ้าทำบุญเราก็จะเจอบาปถ้าเจอทำบุญเราก็จะได้สวรรค์ได้ความสุขใจได้ความสุขในขณะทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และเวลานอนหลับก็จะฝันดีเวลาตายไปก็จะฝันไปเป็นเวลายาวนานเลยอยู่ในโลกทิพย์ด้วยความสุขไปจนกว่าบุญที่เราทำนั้นหมดกำลังลงเราก็จะได้กลับมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ เช่นเดียวกับบาปถ้าเราตายไปใจเราก็จะอยู่กับความทุกข์ทรมานต่างๆไปจนกว่าบาปที่เราทำนั้นหมดกำลังลงเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะมาทาบุญทาบาปกันใหม่ถ้าเราชอบทาบุญเราก็จะกลับมาทําบุญต่อถ้าเราชอบทําบาปเราก็จะกลับมาทําบาปต่อ นั้คนที่ชอบทําบุญนี้ก็จะเวียนไหวาตายเกิดในทุกขติกันตายไปก็จะไปเกิดในอบายกันส่วนคนที่ชอบทําบุญก็จะกลับมาทําบุญเวลาตายไปก็จะกลับเวลาตายไปก็จะกลับไปเกิดในสวรรค์กันอยู่ในสุ ข, ขติกันนี่คือความแตกต่างระหว่างของผู้ที่ทําบุญและทําบาสนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่มีทางที่ปฏิเสธมันได้ปฏิเสธผลของมันได้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเช่นเราอาจจะคิดว่าคนที่ทำบาปทำไมเขาร่ำรวยกันลักเกินทำไมเขามีเงินมีทองมีตำแหน่งมีอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้มันไม่ได้เป็นผลของการทำทำบาปหรือทาบุญมันเป็นเรื่องของวิธีการ หาเงินหาทองของทางโลกเขาคนเหล่านี้รวยได้หลายแบบด้วยกันรวยด้วยการโกงก็ได้รวยด้วยความฉลาดก็ได้รวยด้วยโชคก็ได้บางคนรวยแทงหวยถูกหว ย, ยวยก็เลยก็รวยด้วยโชคบางคนธรรมากินด้วยด้วยความสามารถมีวิชาความรู้ก็รวยได้บางคนก็รวยด้วยการโกงคนอื่นก็มีนั้น เราไม่ไม่มองไม่ได้เรื่องผลของบุญหรือบาปอยู่ที่ความนั่งโดยหรือความยากจนนี้เราวัดกันไม่ได้ราบยศสารเสริญสุขนี้ไม่ได้เป็นผลของการทำบุญหรือทำบาปการทำบุญทำบาปนี้ผลมันอยู่ที่จิตใจคือใจสุขหรือใจทุกข์ใจเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติหรือในทุกขคติอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นกัน ดังนั้นเราจะไม่รู้สึกถ้าเราเข้าใจหลักกฎกแห่งกรรมแล้วเราจะไม่รู้สึกอิจฉาริษยารู้สึกท้อแท้เวลาที่เราเห็นคนถ้าเขาทำบาปแล้วเขากลับได้ดีได้ดีเขาลํำเขารวยกันแต่ถ้าเรามองเข้าไปในใจของเขาเราจะรู้ว่าใจของเขานี่ร้อนถ้าเขาทำบาปในิใจของเขาจะร้อน <c oughs> จะไม่มีความสุข <c oughs> แต่ <c oughs> แต่คนที่ทําบุญถึงแม้จะไม่ร่ําไม่รวยไม่เป็นใหญ่เป็นโตแต่ใจของเขาจะเย็นใจของเขาจะมีความสุขแล้วเวลาตายไปใจของเขาก็จะเป็นสวรรค์ส่วนคนที่ทําบาปถึงแม้จะร่ํารวยถึงแม้จะใหญ่โตถึงแม้จะมีอะไรมากมายกายกองแต่ใจของเขาจะทุกข์จะร้อนแล้วเวลาตายไปเขาจะต้องไปอบายอันนี้ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วเราจะ ไม่รู้สึกอิจฉาหรือเสหรือไม่รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายหรือสงสารคนที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีเรารู้ว่าเขาทําดีเขาได้ดีแล้วแต่เป็นความดีในทางด้านจิตใจจิตใจของเขามีความสุขพบชาติของเขาก็เป็นพบชาติที่ดีต่อไปดงั้นคนที่เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เห็นผลของบุญของบาปว่าเกิดขึ้นที่ใจของผู้กระทําแล้ว ก็จะรู้สึกไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยๆไม่ไม่ได้ไปเสียใจกับคนที่ทำทบุญแล้วไม่ได้ดิบได้ดีแล้วก็ไม่ไปโกรธหรือไปอิจฉาหรือเสคนที่เขาทำบาปแล้วเขาได้ดิบได้ดีเพราะสิ่งที่เขาได้นั้นมันเป็นของที่ไม่มีคุณค่าราคาเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้รับทางด้านจิตใจคือความทุกข์นี้ความทุกข์ทางด้านจิตใจนี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกาย เช่นเดียวกับความสุขทางด้านจิตใจมันก็หนักหรือมันยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายอย่างคนที่ทําบุญนี้จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือได้ความสุขทางด้านจิตใจส่วนความสุขทางร่างกายอาจจะได้นิดๆหน่อยๆพออยู่ไปได้วันๆหนึน่งแต่เขามีความสุขมากกว่าคนที่มีความสุขทางร่างกายแต่มีความทุกข์ทางด้านจิตใจ คือนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ถ้าเราศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนี้เราต้องปฏิบัติสามขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือให้เราทาบุญทำทานลองทําบุญทำทานดูแล้วดูจิตใจของเรารู้สึกว่าเป็นอย่างไร <Yeah. S 1> เวลาเราทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจ อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากการทำบุญทำทานเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องของความความสุขใจหรือสวรรค์ทำบุญบ่อยๆทำบุญมากๆนี่จิตใจจะมีความสุขจะมีความอิ่มใจและเวลานอนหลับก็มักจะฝันดีมากกว่าฝันร้ายการที่สองเมื่อเราทำบุญทำทานแล้วเราก็รักษาศีลกันไม่ทำบาปกัน วดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดื่มสุรายาเมาและการเสพอาบายามุกต่างๆยาเสพติดเล่นการพนันเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆคบคนที่ชอบอาบายามุกเป็นนิสและความเเกียจคานถ้าเราละสิ่งเหล่านี้ได้จิตใจเราจะมีความสุขมากขึ้นจิตใจเราจะสบายเวลานอนหลับจะไม่ฝันร้าย เพราเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้ไปสะสมบาป ท, ที่จะมาสร้างเรื่องร้ายๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับนั่นเองอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นเรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ขึ้นมาแล้วจากการปฏิบัติขั้นสองขั้นขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองถ้าเราอยากจะเห็นมากไปกว่านี้ลึกไปกว่านี้แล้วเราอยากจะเห็นเรื่องของ การเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของเราว่าทําไมเราดวงวิญญาณของเรายังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆเหล่านี้อยู่เราก็ต้องเจาะลึกเข้าไปอีกระดับหนึ่งคือการปฏิบัติขั้นที่สามที่เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี่แหละเป็นการเปิดตาในอย่างอย่างอย่างสมบูรณ์การเราเราถึงต้องมาฝึกสติกันเพื่อหยุด ความคิดหยุดไม่ให้ใจส่งส่งความคิดออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายดึงใจให้กลับเข้าข้างในด้วยการปิดทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเวลานั่งสมาธินี้เราต้องการปิดทวารทั้งห้าแต่เวลาจเจริญสตินี้เรายังไม่ต้องปิดก็ได้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิด้านนี้เราต้องมีสติก่อนเราต้องมีความสามารถที่จะยับยั้งความคิดต่าง ที่จะคิดไปทางเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพชนิดต่างๆเพราะถ้าคิดแล้วมันก็จะดึงใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราคิดถึงขนมเราก็อยากกินขนมขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปิดตู้เย็นหาขนมกินกันคิดถึงภาพยนตร์เดี๋ยวเราก็ต้องไปเปิดดูกันเราต้องควบคุมความคิดเหล่านี้ให้ได้ก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ให้ใจถูกดึงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราหยุดไม่ได้เราจะนั่งสมาธิกันไม่ได้เราจะดึงใจเข้าไปข้างในไม่ได้การนั่งสมาธิกันเป็นการดึงใจเข้าไปข้างในหรือเป็นการเปิดตาในนี่ตาในจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราปิดตานอกก่อนปิดตาอวาัทั้งห้าปิดรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพต่างๆอย่าไปรับรู้ เรื่องราวต่างๆผ่านทางความคิดความคิดของเรานี่แหละเป็นตัวชักจูงให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่ไปถ้าเราคิดมันก็จะพาพาเราไปดงั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้ใจเราออกไปทางตาหูจมูกวิ่นกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเราต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้ด้วยการเจริญสติ สตินี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหยุดความคิดได้การจเจริญสติก็คือให้เรามีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นใช้คาบริกรรมก็ได้ถ้าเราหมั่นท่องคำบริกรรมพุทโธพุทโธในขณะที่เราดำเนินชีวิตตามปกติของเราในแต่ละวันนี้ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดให้มันคิดแต่คาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือจะใช้บทสวดมนต์ท่องไปภายในใจแทนก็ได้เช <c oughs> <c oughs> ่นสวด บ, บทอิติปิโสไปหรือสวด บ, บทสั้นๆพุทธังสรารนังกะฉามิธรรมังสรานังกะฉามิไปก็ได้สวดไปเรื่อยๆเพื่อระ ง, งับความคิดต่างๆได้อีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถฝึกสติได้ด้วยคือการคอยจดจ่อเฝ้าดูการกระทาต่างๆของร่างกายเรา เวลาทําอะไรก็ให้เราเข้าดูการกระทํานั้นเพียงอย่างเดียวเวลาอาบน้ำก็ให้เราอยู่กับการอาบน้ําอย่าอาบน้ําไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้าทําอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดถ้ามีสติแล้วต้องบังคับให้ใจอยู่กับการอาบน้ําเพียงอย่างเดียวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารหรือทําอะไรก็ต่างๆที่ต้องทํา ก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับการกระทำนั้นเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อละงับความคิดต่างๆถ้าเราสามารถควบคุมความคิดอย่างนี้ได้ <c oughs> วเวลาเรามานั่งสมาธิใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านใจเราเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเวลานั่งสมาธิก็มีสองสามวิธีด้วยกัน <c oughs> เราจะนั่งแล้วดูลมหายใจเฉยๆอย่างเดียวก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องพุดโธก็ได้ดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกก็ได้แต่ต้องคอยสังเกตอย่าให้ใจคิดให้ดูให้ใจรู้อยู่แต่เรื่องของลมอย่างเดียวรู้ว่าลมกำลังเข้ารู้ว่าลมกำลังออกรู้ว่าลมสัมผัสที่ปลายจมูกบริเวณที่ลมเข้าลมออกให้เฝ้าดูตรงนั้นอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเปิดตาในขึ้นมาได้ <c oughs> อีกวิธีหนึ่งก็ใช้คำบาลี ร, รมพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปจะท่องเร็วก็ได้ช้าก็ได้ <c oughs> แล้วแต่ความพอใจบางครั้งถ้าคิดว่าใจฟุ้งซ่านมากก็อาจจะท่องให้มันเร็วหน่อย ถ้าใจไม่ฟุ้งไม่คิดมากก็ท่องพุโทโธพุธโทโธช้าๆไปก็ได้หรือถ้าคิดว่าท่องพุโทโธยังไม่ได้ก็สวดอิทีปิโสไปก่อนก็ได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใจเริ่มหยุดคิดเริ่มไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ลองมาใช้พุโทโธต่อหรือมาดูลมหายใจต่อก็ได้การกระทำนี้เป้าหมายก็คือต้องการให้ใจหยุดคิดอย่างเต็มร้อย หยุดคิดอย่างเต็มที่ถ้าใจหยุดคิดอย่างเต็มร้อยนี้ใจจะรู้สึกนิ่งสงบขึ้นมาเหมือนกับตกตกหล่มตกบ่อลงไปตกจากที่สูงลงมาพอใจหยุดคิดอย่างเต็มร้อยนี่มันจะนิ่งสงบเฉยจริงๆจะไม่มีอาการรู้สึกอยากจะขยับอยากจะลุกอยากจะไปทําอะไรแจะรู้สึกนิ่งๆเฉยๆแต่มีความสุขมากความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แล้วเราก็จะได้ได้เห็นตาเห็นเห็นเห็นตัวของเราเห็นใจของเราเพราะใจของเราเริ่มเปิดตาขึ้นแล้วเพราะตอนนั้นเราจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายต่อไปเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเบื้องต้นเราจะเห็น ว, ว่าใจผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจนี้มาเกาะมาติดกับร่างกายผ่านกระแสของ วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ตอนที่เราทําสมาธินี้เราหยุดกระแสของวิญญาณนี้จากการไปเกาะติดกับตาหูจมูกลิ้นกายจึงทําให้เราไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเหมือนอยู่ในอวากาศอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขและใจก็จะเป็นกลางไม่มีความรักชังกลัวหลงเรียกว่าเป็นอุเบกขา จะเฉยเฉยไม่ยินดีร้ายกับอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเวลาน่างกายตายไปใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้แหละที่จะไปเป็นสวรรค์ไปเป็นนาลกหรือไปเป็นพรหมหรือเป็นอะไรต่อไปถ้าเราได้สมาธินี้เวลาตายไปนี้ ใจจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมถ้าได้รูปรูปประชานความสงบระดับรูปประชานเราก็จะอยู่บนสวรรค์ของรูปประพรมถ้าเราได้อารูปประชานที่มีความสงบนึกกว่ารูปประชานเราก็จะได้สวรรค์ชั้นอารูปประพรมแต่พอเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็จะเคลื่อนกลับลงมาที่สวรรค์ชั้นเทพแลกลับลงมาสู่ชั้นของมนุษย์ต่อไป พอเราลืมตาขึ้นเราก็กลับเข้ามาในร่างของเราแล้วเราก็กลับมารับรู้เรื่องราวต่างๆของร่างกายมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆต่อไปแล้วก็เจอกับความวุ่นวายต่างๆเจอกับความทุกเจอกับความเดือดร้อนต่างๆมันก็จะทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างการที่เราเข้าสมาธิกับเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิว่าเป็นเหมือนสวรรค์กับนรกเลย<ม>เห็นชัดเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทุกข์อะไรมากก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่อยู่ในสมาธินี่มันมันมีความแตกต่างกันมากระหว่างความสุขกับความทุกข์มันก็จะทําให้เราเริ่มมีความยินดีที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้พบกับความสงบให้มากขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มใช้ปัญญาศึกษาหาดูสาเหตุว่า เหตุไดทำไมเราจึงลังต้องมาเกิดแก่เจ็บ ต, ตายอยู่ในภพต่างๆอยู่เราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเรานี่เองถ้าเรายังอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ต้องใช้ร่างกายเช่นเวลาเราอยู่ในสมาธินี่เราไม่มีความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอจากสมาธิมาเดี๋ยวเราก็เห็นนูน่นได้ยินเสียง ได้ดมกลิ่นแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะลืมอยากจะรับประทานอยากจะดูอยากจะฟังขึ้นมาเราก็ต้องมีร่างกายเราก็ถึงจะเข้าใจว่า อ, อ๋อการที่เราต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์มามีร่างกายกันเพราะเรายังอยากจะเสกรูปเสียงกลิน่นรสนันเองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราสามารถยุติการเกิดได้ด้วยการยุติความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่เป็นความสุขชั่วคราวคือสรุปก็คือเป็นความทุกข์นั่นเองได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจ เพราะรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มามันเปลี่ยนไปจากเดิมที่มันให้ความสุขกับเรามันก็จะกลายเป็นให้ความทุกข์กับเราได้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนของเปลี่ยนได้พลิกหน้ามือเป็นหนังมือได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเราต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ เราก็จะหยุดเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ถ้าเราเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ติดต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกาย <S 2> <S 2> เราไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่เรายังอาจจะไปเสพรูปประชานกับอารูปประชานก็จะทำให้เราไปเกิดในรูปประพบอารูปประพบซึ่งเขาก็ยังต้องมีการเสื่อมเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาสร้าง รูปปัจจานารูปประชานใหม่ทางที่เราถ้าเราไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็ต้องละการเสพรูปประชานารูปประชานด้วยถ้าเราด้วยการพิจารณาว่ามันเป็นตายลักษณ์มันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับการมคุณห้าถ้าเราละการเสพรูปประชานารูปประชานได้เราก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดในตายโภเกตต่อไปเราก็จะอยู่ ที่นิพพานที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเลยคที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายประทับกันอยู่ท่านอยู่ที่ตรงนั้นท่านไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ท่านไม่มาเกิดมาพบหน้ามาพบปะกับพวกเราอีกแล้วเท่านั้นเองแต่ดวงวิญญาณของท่านนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเรียกว่าบร ม, มสุขนิบานังปรมังสุ ข, ขังนี่นี่คือเรื่องราวที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้จากการที่เรา มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อที่จะน้อมนาเอาไปปฏิบัติน้อมนาเอาไปพิสูจน์เมื่อเราพิสูจน์แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่สงสัยแล้วเราจะรู้อย่างเต็มหัวใจว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้น ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงและสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้ทุกคนเพราะเราได้พิสูจน์ด้วยตนด้วยตัวของเราแล้วนั่นเองจากการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี่คือเรื่องของประโยชน์สุขที่เราจะได้รับ จากการที่เราได้เข้ามาพบกับพระธรรมบรรประสของพระพุทธเจ้าซึ่งนานๆจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งพระธรรมคำสอนนี้ไม่อยู่ในโลกนี้ไปตลอดพบหน้าชาหน้ากลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ถ้าถึงเวลานั้นก็เหมือนกับอยู่ในที่มืดไม่มีใครบอกเรื่องราวของความจริงที่เรามายัางมองไม่เห็นกันเราก็จะถูกอิทธิพลของกิเลสตัณหาหลอกให้เราไปเสพ สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตายภพนี้แล้วก็ทำให้เราติดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพนี้ไปอีกเวเป็นเวลาอันยาวนานยันชาตินี้เป็นชาติที่ดีโอกาสที่ดีอย่าปล่อยโอกาสที่ดีนี้ให้หลุดมือไปรีบศึกษาแล้วรีบปฏิบัติเถิดแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่ ง, งต่างๆและได้เป็นอย่างที่พระเจ้าได้เป็นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปันาราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโควินาศตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสิลิตสะนิจจังวุฒาปะจายโน จตารโหธรรมวาทาติอายุวณูสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรอยากจะคุยอะไรขอให้ทำตอนช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เล้กแล้วก็จะต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อ ไม่สะดวกที่จะคุยกันจะถามตอบคาถามกันถ้าใครอยากจะถามเองก็เดินเข้ามาที่ข้างหน้านี้เดี๋ยวจะหยิบไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เข้ามาทางเพจก็ได้ทาง youtube ก็ได้วันนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่ <c oughs> รการธรรมกาสตร์อาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มียอดผู้รับชมทาง Facebook 452ท่านเจ้าค่ะ YouTube 281ท่านเจ้าค่ะทาง d r V Channel 150ท่านเจ้าค่ะ Video Online แปท่าน Clubhouse 17ท่านด้านคุติ164ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,072 ท่านเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> ใารมีอะไรก็คำถามอะไรก็เอามาอ่านได้เลย ใครอยากก็ถามเชิญถามกาวน์นมัสการพระอาจารย์ครับผมมีคำถามเรื่องการนั่งสมาธิครับผมข้ามเวทนาไม่ผ่านแต่ว่า ต, นนติดรวมเพราะนั้นต้องขยันพุโทโธพุโทโธเวลามันเจ็บอย่าไปสนใจกับความเจ็บเรารักไก่ได้ั้ยครับรักไก่คืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังว่า นั่งสมาธิระหว่างนั่งบนเก้าอี้ mm hmm. กับนั่งแบบขัดสมาธิเนี่ยผมนั่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบห้านาทีจิตรวมแต่หลังจากนั้นจะเริ่มมีเวทนาพอมีเวทนาปุ๊บข่าวนี้ก็กระเจิงละจิตก็จะเริ่มมาจดจ่อที่ตรงเวทนาซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าต้องอดทนเพื่อข้ามเวทนาไปผมก็ลักไก่ โดยการมานั่งบนเก้าอี้แทนเราถ้าเรากระยับตัวก็หนายควาเรายอมแพ้แล้วอ๋อครับเปลี่ยนยกใหม่แล้วแต่ถ้าผมนั่งบนเก้าอี้ผมนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยอะครับคือเราไม่ได้ต้องการจะให้นั่งเป็นชั่วโมงแล้วไม่ชั่วโมงเราต้องการให้ผ่านวทนาเพรต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้รู้จักวิธีอยู่กับความเจ็บปวดได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราจะทรมานเวลาที่เราไม่สบาย ก็คือต้องทนเวทนาไปจนก็ง่ายมากเพียงแต่ขยันให้ท่องพุทโธพุทโธไปให้ครับอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดให้สากเป็นสากตายกพื่อทำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวไม่นานอ่ะมันก็จะสงบแล้วมันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายครับผมตอนนั้นต้องขยันอ่ะขยันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือสวดอิปิโสภะคะวารังสัมมาสัมพุทโธไปก็ได้ครับย้ายมันนั่งเฉย เรนั่งเฉยๆมันจะไปคิดถึงความเจ็บทันทีเพราะพอเจ็บก็อยากจะหนีอยากจะขยับแต่ถ้ากระพุธโธพุธโถพุธโธจนเพลินจนเริ่มความเจ็บไปเดี๋ยวก็อยู่กับความเจ็บได้ครับผมลองทำดูไม่ยาก ห, ห้านาทีสิบนาทีก็สบายผ่านได้ครับผ ม, อมนองตค ร, ครับก็กราบนรมัตการพระอาจารย์นะครับ ก็สิดเป็นคำถามต่อเนื่องจากพี่เขานะครับคือถ้าเรานั่งสมาธิมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วครับแล้วเราสามารถนั่งได้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงครับ<ด>คือสามารถที่จะข้ามความเจ็บปวดไปได้แล้วครับสิดอยากรทราบว่าถ้าเราจะต้องกําหนดรู้ที่ลมหายใจหรือว่าพุทโธครับเพราะว่าพุทโธนั้นห า, หายไปแล้วครับ ก็ถ้าพุทโธหายลมหายก็อยู่กับความว่างไปอยู่ความว่างไปอย่าให้มีความคิดเข้ามาถ้ามีความคิดก็หยุดมันครับคือหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องภาวนาแล้วก็ถ้าม่ตันไม่จับที่ลมใช่ไหมถ้าจิตไม่คิดไม่ตรุงแต่งจิตเนิ่งเฉยเฉยก็ไม่ต้องภาวนาแสดงถ้ามันไม่รู้สึกอยากจะลุกอยากจะขยับหรืออยากจะอะไรต่างๆมันเฉยเฉยได้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วสิทธิยากทัาบตอว่าถ้า ถ้าจิตสมาธิไม่หลุดอะครับเราเราควรจะนั่งไปเรื่อยๆหรื อ, อ, อนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะทําทได้แล้วก็พยายามทําบ่อยๆวันละหลายรอาครอบทาให้มันชานาญทำให้มั น, น, น, มนเก่งเข้าสมาธิได้ง่ายได้นานแล้วต่อไปก็จะไปเรียนทําปัญญาต่อไปศึกษาเรื่องใตรักต่อไปรเรื่องอนิจจงเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของความเปลี่ยนแปลง เช่ร่างกายมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงมันจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วแม้มันจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราต้องไม่ทุกข์กับมันเราต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ห้ามันไม่ได้นะสอนไปก่อนแล้วถ้าเราคิดว่าเรารับได้แล้วก็เราไปพิสูจน์ดูเอาร่างกายไปอยู่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวดูหรือว่าใจเราจะกลัวมั้่ ร่างกายมัไม่กลัว ห, หรอกแต่ใจเราไปกลัวแทนร่างกายเราต้องการแก้กความกลัวของใจเพราะมันเป็นความทุกข์เราต้องใช้ปัญญาสามารถแยกใจออกจากร่างกายว่าไอ้ที่จะเป็นมันคือร่างกายไอ้ที่จะตายคือร่างกายใจไม่ได้ตายเหมือร่างกายใ จ, จกใจไปกลัวทาไมใจไปกลัวเพราะยังหลงคิดว่ามันเป็น เ, นเราเป็นตัวเราอยู่นี่เราก็พิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นดินน้าลมไฟ เป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเพลงแต่ผู้มาครอบครองเหมือนชั่วคราวต้องสอนใจแล้วปล่อยพอยายามปล่อยปับยป๊บพอวางปับใจก็เย็นหายกลัวเลยต่อไปก็ยังไม่ไปไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่กลัวตายครับอ า, าจารย์กลับครับคุณครับอาจารย์โอเค มีคำถามฝากถามมานะคะว่าโยมนั่งสมาธิแบบอนาคอนสติลมหายใจหายไปและมีความรู้สึกเหมือนตัวลอยออกจากพื้นประมาณหนึ่งฟตุตแล้วรู้สึกว่าไม่มีร่างกายมันเบาไปหมดเหมือนตัวหายไปพอออกจากสมาธิมีความรู้สึกว่ามันเย็นในจิตในใจจิตเบาเหมือนมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยมีนิสัยดีอย่างนี้มาก่อน ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกใดๆแบบนี้เป็นการนั่งสมาธิที่ถูกต้องใหม่เจ้าคะ่ะถูกต้องเราต้องการใจเย็นใจเป็นโอเบกขาวางเฉยใครด่าก็เฉยใครทำร้ายทาลา ย, ลายแกล้งเราเราก็เฉยไม่เดือดร้อนแล้วพอมีการพูดคุยกับผู้คนรอบข้างอารมณ์จิตแบบนี้ก็หายไปเจ้าคะ่ะก็เพราะว่าเราเริ่มปรุงแต่งเนเราพอปรุงแต่งมันก็เลยไปทำให้ความสงบนี้มันหายไป เราก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิใหม่ mm hmm. เวลาจิตเริ่มเริ่มไมเริ่มไม่เย็นแล้วเ่มไม่วางเฉยแล้วเราก็ต้องกลับเข้าสมาธิใหม่ mm hmm. พยายามเข้าบ่อยๆแล้วนานๆพอเวลาเราออกมาเราจะได้อยู่ได้นานวิธีที่จะทาให้มันไม่มันมนิ่งเฉยต่อได้ก็พยายามใช้ใช้สติก็ได้ mm hmm. แต่เราออกมาก็พยายามพุโทโธพุโทโธต่อ อย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วถ้ามาสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆก็ใช้ปัญญาก็ได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาให้เราสักแต่ว่ารู้ไปอย่างนี้ใจของเราก็ยังจะเฉยต่อไปได้ใช้สติพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก็ได้อย่างสมมติว่าเราเรานั่งอยู่กับ ผู้คนแล้วเขาพูดเรื่องเรื่องอะไรที่แบบที่เราไม่อยากรับรู้ใจเราลาคาแล้วก็พูดโทพูดโทไปเข้าสู้ได้ใช่ไหมเจ้าคะออะนหมายถึงว่าเวลาสมมติยมคุยกับคนหนึ่งแล้วก็เขาคุยเรื่องคนอื่นแต่เรายิ้มแต่จิตเราพูดโธพูดโทพูดโทแบบนี้ได้ไหมคะได้ก็ยิ้มไปแล้วก็พูดโทไปไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอยู่ก็ปล่อยเขาพูดไปอย่าไปมีอารมณ์กับเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคําถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะ สอบถามวิธีบริกรรมพุโทโธในตอนแรกต้องนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่ต้องก็ได้แล้วแต่เราเราอยากจะนึกก็ได้ไม่นึกก็ได้มันไม่นึกมันจะง่ายกว่าเพราะเวลาเราเคลื่อนไหวทำอะไรมันบางทีไปนึกภาพด้วยไม่ได้ก็พุโทโธไปแล้วก็ทำงานไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งหนแต่งตัวก็พุโทโธไปเจค่ะคาถามที่สองเมื่อบริกรรไปเรื่อยๆจนจิตหยุดคิด มีแต่บริกรรมพุทโธอย่างเดียวแล้วควรทําอย่างไรต่อไปถ้าจิตหยุดเคสก็ถ้ายังจิตไม่นี่งไม่สงบ ก, ก็พุทโธไปเรื่อยเดี๋ยวมันสงบแล้วพุทโธก็จะหยุดเองค่ะแล้วบริกรรมพุทโธแล้วมีภาพโครงกระดูกหรืออสุภะขึ้นมาแล้วควรทําอย่างไรไม่ไม่ไม่ต้องสนใจให้อยู่กับพุทโธไปบริกรรมแล้วเห็นจิตมันบริกรรมพุทโธเองส่วนอีกจิตหนึ่งเป็นผู้รู้พุทโธควรทําอย่างไรต่อไปก็อยู่กับพุทโธ คำถามจากหน้ากุฏินะคะเรามีความรู้สึกว่าเข้าวัดฟังธรรมมากกว่าเพื่อนแต่บางครั้งมีปัญหาคุยกันอาจจะมีการโต้แย้งกันบ้างเพื่อนจะมองว่าเราเข้าวัดแล้วมีอารมณ์หรือปฏิบัติไม่ได้ทำนอง น, นี้เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ปรับตัวอะไรเสร็จเราก็ต้องต้องมีสติให้มากขึ้นแล้ววางเฉยเวลาคุยกับใครก็อย่าใช้อารมณ์คุย ใช้เหตุใช้ผลถ้าเราเริ่มมีอารมณ์เราก็ต้องใช้พุทโธพุทโธอยู่หนคำถามต่อไปจากหน้ากุติการปฏิบัติธรรมยากตรงไหนและง่ายตรงไหนคะยากตรงที่ไม่ทำง่ายที่ทำก็ทำได้มันก็ง่ายถ้าไม่ทำมันก็ยาก ขอความกรุณาอธิบายเรื่องสติกับมหาสติค่ะสติก็คือเป็นแบบธรรมดามหาสติก็เป็นเหมือน เ, อเป็นพิเศษเหมือนน้ามันเกากับ95สติธรรมดาก็ยังล้มลุกคลุกคลาอยู่บางทีก็เผลอบางทีก็ลืมแต่ถ้ามหาสตินี้จะไม่เผลอไม่ลืมจะมีอยู่ตลอดเวลา ทำไมชีวิตจึงถูกดึงไปกิเลสมากกว่าทางธรรมเพราะมีกิเลสเป็นผู้กำกับใจเราไงเป็นเหมือนวงดนตรีใจเราเป็นเหมือนวงดนตรีแล้วกิเลสเป็นผู้กำกับมันก็บังกับกับให้เล่นไปเพลงที่กิเลสชอบคอนดักเตอร์ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเปลี่ยนคอนดักเตอร์เปลี่ยนผู้กำกับใหม่ต่อไปเราก็จะมีธรรมเป็นผู้กำกับ ทำไมคนส่วนมากจึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติทันแล้วพ้นทุกข์พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะเขาไม่ยอมศึกษาเท่านั้นเองถ้าเขาศึกษาแล้วเขาก็าจะปฏิเสธไม่ได้เขาไม่ยอมปฏิเสธเขาไม่ยอมศึกษาเพียงต่ฟังปั๊บก็ปฏิเสธทันทีเลยพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมได้ พ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องอยู่กันตามลําพังและชอบทะเลาะ ก, กันเพราะมีความเห็นไม่เหมือนกันจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็ให้ถือกฎกติกาคือให้สงวนส่วนต่างภาษาส่วนเหมือนถ้ามีความคิดเห็นต่างกันก็อย่ามาพูดคนนึงชอบไปเที่ยวอีกคนหนึ่งชอบไปวัดก็อย่ามาคุยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันพูดในเรื่องที่ชอบด้วยกัน ชอไปช้อปปิ้งนะก็พูดเรื่องช้อปปิ้งไปอย่างเดียว อ, อย่างนี้จะไม่ทะเลาะกันเป็นคนที่ชอบฟังธรรมชอบไปวัดปฏิบัติธรรมเป็นระยะระยะในวันสำคัญตามพุทธศาสนา ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์มาหลายๆองค์ขณะฟังธรรมเข้าใจดีแต่เมื่อออกมาลืมจำอะไรไม่ค่อยได้จริงๆเทคนิคการฟังธรรมต้องใช้สัญญาจำหรือไม่อย่างไรคะไม่ต้องหรอกให้มีสติจดจ่ออยู่กับการฟังอย่าฟังแบบใจลอยฟังแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะฟังไม่รู้เรื่องพอมันไม่รู้เรื่องมันก็จะจำไม่ได้แต่ถ้าเราฟังแบบจดจอ่อ ไม่ขาดตอนไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะจำเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินพอเราเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมการฟังธรรมไม่ต้องใช้ความจดจำขอเอาความเข้าใจเป็นหลักพอเข้าใจแล้วมันก็จะร้องอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วพอมันเข้าใจแล้วมันจะไม่ลืมถ้าไปนั่งหัดจาไงขนาดนที่ฟังเดี๋ยวมันก็ลืมงั้นอย่าเวลาฟังอย่าไปจดจาหรือบางคนนั่งเขียนจด เป็นตัวหนังสือไปด้วยมันจะฟังไม่รู้เรื่องมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้าใจแล้วเวลากลับมาอ่านก็ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไงนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องการจดจำให้ให้ให้อยู่กับความเข้าใจซึ่งบางตอนบางเรื่องอาจจะไม่เข้าใจก็ปล่อยมันผ่านไปก่อนเพราะบางเรื่องมันอาจจะต้องใช้ความคิดมากพิจารณามากถึงจะเข้าใจเรายังไม่มีความคิดไม่มีปัญญาพอก็ ไม่เป็นไรปล่อยให้มันผ่านไปก่อนให้เอาเรื่องที่เราเข้าใจก่อนค่อยๆฟังไปเพราะว่าการฟังธรรมนี้ไม่ได้ให้ฟังครั้งเดียวฟังอยู่เรื่อยๆพระพุจธเจ้าบอกอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งฟังไปเรื่อยๆอต่อไปมันก็จะได้ฟังสิ่งที่เคยฟังมาก่อนพอฟังครั้งที่สองมันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นแล้วก็จะจําได้ต่อไปคําถามต่อไปผู้หญิงมักจะเข้าวัดฟังธรรมมากกว่าผู้ชาย แต่เมื่อพูดถึงการบรรลุธรรมพ้นทุกข์มักเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นเพราะเหตุใดคะเพราะถ้าผู้ชายเข้าวัดมักจะไปบวชเลยแต่ผู้หญิงเข้าวัดมักจะเชอบมาทําบุญทาาําทานนั่นเลงก็เลยผู้หญิงเข้าวัดแต่ไม่ถึงแก่นแต่ผู้ชายเข้าวัดแล้วเข้าถึงแก่ผู้ใชายส่วนใหญ่ถ้าเข้าวัดเขาก็จะมาบวชกัน ผู้หิส่วใหญ่ก็จะมาทําบุญอยากจะไปสวรรค์กันมากกว่าอยากจะร่ำอยากจะรวยคําถามต่อไปเจ้าค่ะการปล่อยวางคืออะไรทําอย่างไรเจ้าค่ะก็คือปล่อยให้เกิดขึ้นมันดับมันเกิดขึ้นมาเองมันดับของมันเองใครด่าเราแล้วก็มันก็ปล่อยก็ด่าไปแล้วปล่อยวางอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เขาทํากับเรา เขาด่าเราเขากั่นแกล้งเราเล้วเขาทำอะไรเราแล้วก็เฉยเฉยไปเรียกว่าปล่อยวางคำถามต่อไปอยากทราบว่าถ้าหนูชอบพูดมุกตลกที่ไม่หยาบค า, ายไม่สอดเสียดใครเจตนาที่พูดเพื่อให้ผู้ฟังหัวเราะ ย, ยิ้มมีความสุขแบบนี้ถือเป็นการพูดโพเจอร์ใหม่เจ้าคะเป็นไม่มีสาระประโยชน์อะไรเสียเวลาเ ป, ป่าพเรื่ที่ทาให้คนฟังเขาได้มีความรู้ดีกว่า คำถามต่อไปการเลือกเคารพพระสงฆ์โดยโ ด, ยดยูจากวัดปฏิบัติและจริตนิสัยเป็นสิ่งอันสมควรหรือไม่ก็พระสงฆ์นี้ท่านจะเป็นครูเป็นอาจารย์เราเราก็ต้องเลือกครูบาอาจารย์เวลาเราไปหาครูอาจารย์เราก็หาอาจารย์ที่เก่งที่สอนเราได้แต่ถ้าไปเจออาจารย์ที่เขาไม่สอนเราความมาุ่งมั่ของเราสู้เราไม่ได้แล้วเราจะแบเอาเขามาเป็นอาจารย์เราได้อย่างไงเราก็ต้องดูความประพมั่ของเขาเขาว่าเรียบร้อยหรือเปล่า ตามปฏิบัติตอนอยู่ในกอแผงธรรมหรือเปล่าแล้วมีความรู้ที่จะสอนให้เราฉลาดขึ้นได้หรือเปล่าเราก็ต้องเลือกเพราะคนที่มาบวชมีหลายระดับด้วยกันบวชใหม่บวชเก่าบวชแล้วเรียนบวชไม่เรียนมันก็จะมีความแตกต่างกันก็ต้องอาศาัยการดูดูจริยาวัตรของท่านแล้วก็ดูคาคิดเห็นคาพูด ต้องไปอ่านในคอมเมนต์ดูว่าพระรูปนี้เป็นยังไงมีไ like รเท่าไหร่ ม, มีดาเท่าไหร่คาถามข้อที่สองพระสงฆ์สามารถร้องขออาหารที่ต้องการอยากฉันได้หรือไม่ไม่ได้หรอกพระเป็นผู้ขอแต่ไม่ได้เป็นผู้รับของแต่ไม่ใช่เป็นผู้ขอทานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ต้องยินดีตามมีตา ม, ตา ม, ตามเกิดได้อะไรมาก็ยินดีกับสิ่งที่ได้มา คำถามข้อที่สการที่เราจเจริญทานศีลภาวนาแล้วเราอุทิศให้ผู้อื่นอยากทราบว่าผู้ที่เราอุทิศให้จะได้รับบุญมากน้อยอย่างไรคะคือการอุทิศนี้เป็นการให้ความสุขกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอุทิศบุญ<ม>เพราะคนที่ตายไปแล้วนี่รับของของที่เราให้คนเป็นไม่ได้ ก า, การอุทิ่บุญก็คือให้คนที่เขาตายไปมีความสุขนี้ก็การอุทิศก็อยู่ที่ว่าเราทําบุญมากทําบุญน้อยทําบุญมากเขาก็ได้รับผลบุญที่เราอุทิศไปมากทําบุญน้อยเขาก็ได้รับบุญผลน้อยเท่าน้อยู่ที่เราทํามากทําน้อยอย่างอุทิศให้พวกสัตว์เลี้ยงที่ตายไปได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าเป็นดวงวิญญาณได้ทั้งนั้นถ้าไม่ตายก็ให้ของเขาแทน เเเนน้ เ, เ, หหเออใหเคเเาาอหไะรำถามข้อที่สี่การมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านทำให้จิตเราผูกพันกับเขาแล้วอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นั้นๆในภพหน้าจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกความผูกพันนี่มันไม่ได้ทำให้เราไปเกิดการที่เราไปเกิดเป็นสัตว์เพาเราทาบาปถ้าเราทาบุญเราจะไปเป็นเทพ ไม่ต้องงกัวลคำถามนะกุติคำถามต่อไปเจ้าค่ะกราบเรียนนมัสการพระอาจารย์ตอนนั่งภาวนาท่องพุโทโธพุโทโธแล้วเห็นสีขาวๆจากนั้นเกิดความครัวพยายามท่องพุโทโธแต่ท่องไม่ได้เท่าตอนแรกควรทําอย่างไรต่อดีเจ้าค่ะก็หยุดตอนก็ได้ถ้าถ้าทําพุโทโธไม่ได้ก็อย่าอย่าอย่านั่งต่อไป เรมาเดินจงกรมแทนหรือก็มาเดินจงกรมแล้วก็ต้งพุโทธโธพุทโธไปพยายามฝึกพุโทโธบ่อยๆมากๆแล้วต่อไปเวลานั่งแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ใช้พุโทโธยับยั้งได้คำถามต่อไปจากนักกุติความสงบที่ได้จากสมาธิจะได้เมื่อมีสภาวะไม่อยากจะได้โดยบริกรรมพุโทโธหรือดูลมการเข้าไป ใช่ตอนนั้นความอยากมันจะยุติมันจะพักชั่วคราวใจก็จะอิ่มจะรู้สึกพอไม่อยากได้อะไระนาใจสงบนี้เหมือนได้กินข้าวอิ่มแล้วไม่หิวกับอะไรคาถามจากเ c e b o o k เจ้าค่ะจากคุณเบสิลีกราบในมัสการพระอาจารย์ฝากคำถามครับเกี่ยวกับบุญบาตเช่นกรณีสมัยก่อนโจรป้นคน จลิตแล้วนำไปช่วยคนจนถือว่าเป็นบุญหรือบาปครับก็เป็นทั้งบุญทั้งบาปก็คือเวลาไปป้นเขาก็บาปลปเอาเงินไปให้คนอื่นก็เป็นการทำบุญคำถามจากคุณบีหน้าอยากให้ทุกทุกชาติหลังจากนี้เกิดเป็นผู้ชายและได้บวชต้องทำบุญอย่างไรคะก็ทำตัวให้เป็นผู้ชายฝึกตัวให้เป็นผู้ชายอย่าไปชอบผู้ชายชอบผู้หญิง คำถามต่อไปจาก facebook หากเราปฏิบัติตามคำสอนแต่ไม่หลุดพ้นได้ทันยุคของพระพุทธศาสนานี้เมื่อพระพุทธศาสนาไม่มีในโลกนี้แล้วเราจะเป็นเทวดาปฏิบัติ ต, ต่อจนหลุดพ้นได้ไหมคะในสวรรค์มีพระพุทธศาสนาไหมคะหรือไม่ต้องรอถึ ง, งยุคภาสีอริยก็แล้วแต่ว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันติดต่อกับเทพได้หรือเปล่า ถ้าติดต่อได้ก็จะมีพระพุทธเจ้าหรือพระหลานสอนธรรมะได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระหลานไปติดต่อก็ไม่ก็ก็ปฏิบัติไม่ได้เรียนไม่ได้คนถามจาก youtube ชาค่ะจากคุณชิรารัตน์มันคือใครเป็นอะไรสังเกตจาก ก่อนจะไปทําบุญมักมีอุปสรรคต่างๆขวางกัน้นทำให้อาจไม่ได้ไปหรือวันที่คิดว่าจะอยู่บ้านภาวนาดูเหมือนมีอะไรมากรซิปให้ต้องออกจากบ้านไปนทําอย่างอื่นขอขอบพระคุณค่ะคือมารก็คือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาสิ่งที่มาขัดขวางการทําความดีต่างๆเราก็เรียกว่ามารเป็นชื่อสมมุติของเหตุการณ์หรือของบุคคลที่มามาขัดขวางการกระทําความดีของเรา เช่เราจะไปทําบุญก็มีคนมาดึงเราอย่าไปอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวดีกว่านี่เราก็เรียกเขาว่าเป็นมานได้แคมถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากผู้มีพระคุณเสียชีวิตหากเราไม่เสียใจไม่มีน้ำตาคนอื่นก็จะมองไม่ดีได้พระอาจารย์คิดอย่างเห็นอย่างไรเจ้าคะ ก็แจ้งร้องให้เขาถ้าทำไมว่าเขาจะคิดยังไงก็ร้องให้เขาเห็นหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> หมดเรื่อง <c oughs> แการไม่ร้องให้ไม่เสียใจยก็ถูกแล้วแหละเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกคนร้องไปก็ไปทําให้เขาฟื้นไม่ได้ร้องไปทําไมที่ร้องเพราะเศร้าโศกเสียใจอาลัย อ, อาวร อ, อยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปพอเขาไม่อยู่ก็เลยร้องห่มร้องไห้ แค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ร้องก็แสดงว่าเรามีธรรมใจเรามีเห็นอนิจจงเห็นเรื่องความแก่แก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขารู้สึกสบายก็ร่วบร้องไปกับเขากิริยาไงก็เรียกกิริยาการกระทําโดยกิริยาอย่างผ้าหานี่บางทีท่านทำตัวเหมือนกับเกยดเกลียดเราอย่างเงี้ยแต่ความจริงถ้าไม่มีความโกรธในใจ แต่ท่านต้องเอาความโกรธมาขนาบกิเลสเราเพราะถ้าเราไปพูดเอ้ยดีๆไม่เป็นไรด้วยอย่างนี้มันไม่กลัวไงต้อง ท, ทํากระทาท่าทางโกรธเคืองโกิดขันนี่มันเห็นแล้วมันกลัวยิ่งเจอก็อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะใช้ความโกรธนี้เป็นเป็นตัวสั่งสอนลูกศิษย์แต่ในใจท่านท่านไม่มีความโกรธแต่ท่านโอ้ดาเพราะว่าอย่าูอย่า ง, างนี้เป็นหมูเป็นหมาเนี่ยอยู่แบบนี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อ เป็นเป็นพระอริยะท่านก็ว่าไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการกระตุ้นกิเลสเป็นการปรามกิเลสของเราแต่ใจใจท่านท่านไม่มีความโกรธท่านเมตตาท่านถึงรับเรามาสอนไงถ้าเราไม่เมตตาท่านก็ไล่เราไปตั้งงานแล้วไม่เอามาสอนให้เสียเวลาหรอกที่ท่านสอนแต่ต้องท่านมีเทคนิคเทคนิคที่จะทําให้เกิดความความความละอายความกลัวแล้วพยายามทำตัวให้ดีเงี้ย แล้วต้องใช้ความโกรธเป็นเป็นเป็นเครื่องมือคำถามต่อไปจากคุณแบมแบมกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะช่วงเวลาปฏิบัติภาวนาปลีกวิเวกสามารถใส่บาตรได้หรือไม่เจ้าคาหรือควรตั้งใจไปด้านภาวนาอย่างเดียวค่ะถ้าเราต้องการภาวนาร0อยเปอร์เซ็น์ก็ตอนนั้นเราไม่ต้องทำบุญก็ได้พักไว้ก่อนละเวลาช่วงที่เราไม่ได้ภาวนาแล้วค่อยมาทาบุญก็ได้ หรือทำบุญทีเดียวให้มันหมดไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องทําอยู่เรื่อยๆมีเท่าไหร่กานที่เราจะเอามีเอาไว้ทําบุญก็ทำมันทีเดียวไปเลยบริจาคให้กับวัดไปเลยก็ได้แล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเรื่องทําบุญแล้อย่างคนที่ไปบวชเขาทําอย่างนี้เทนะ่านั้นเนี่ะคนที่เขาไปบวชนี่เขาสละทรัพย์สมบัติหมดแล้วเพราะไม่มีเงินทองเหลือยู่แล้วพระนี่มีแค่สมบัติแปดชิ้นมีบาทมีจีวรเท่านั้นเองท่านไม่ได้ทําบุญแล้วท่านเอาแต่ภาวนาอย่างเดียว คำถามต่อไปกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ทำบุททำกุศลตลอดไปและยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะได้ถึงซึ่งพระนิพพานถือเป็นกิเลสใหม่เจ้าคะไม่เป็นหรอกเป็นธรรมเป็นฉันทาวิริย <c oughs> เป็นอธิฐานเป็นสัจจะอธิษฐานคำถามต่อไป กราบพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเจ้าค่ะวิญญาณธาตุรู้กับวิญญาณขันคือตัวเดียวกันใหม่เจ้าคะการเกาะของวิญญาณในแต่ละขันหนึ่งก็เกิดหนึ่งรอบปัจจิตจสมุปบาทแล้วใช่ไหมเจ้าคะคือวิญญาณนี่มีสองอันด้วยกันวิญญาณที่คือจิตผู้รู้นี่เป็นวเวลาไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อจากจิตใจมาเป็นวิญญาณ จนวิญญาณที่ส่งมาเกาะกับตาหูจมุกลิ้นกายนี่เป็นเรียกว่าวิญญาณในขันในขันห้าคนคนละคนคนละตัวกันแต่วิญญาณในขันห้างก็อยู่ในวิญญาณใหญ่คือในในจิตอีกทีหนึ่งจิตเป็นผู้ส่งวิญญาณนี้ออกมาเอจริงตัววิญญาณที่เราเรียกเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยก็คือตัวจิตตัวรู้ตัวคิดนี่แต่เราเปลี่ยนชื่อเราเรียกเป็นดวงวิญญาณไป คำถามจาก youtube จ้าค่ะทานเจกับทานเนื้อสัตว์ต่างกันเรื่องบุญบาปหรือเปล่าคะถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ด้วยตัวเราเองหรือสั่งให้คนอื่นมาฆ่าเพื่อมาทําอาหารก็เหมือนกันกินเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วเช่นไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ขายที่เขาขายในตลาดที่มันตายไปแล้วไปซื้อผักนี่มันก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วไม่มีผลต่อบุญต่อบบาปแต่อย่างใด คำถามต่อไปจากคุณประเทิงศักดิ์เจ้าค่ะกลับนวัศการครับพระอาจารย์กลับถามปัญหาให้น้องสาวครับแกภาวนาจิตสว่างมากจนนอนไม่ได้บางทีนานหลายชั่วโมงแล้วแกยังเห็นยมทูตมารับคนจะตายด้วยตาเนื้อแกเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าแกบ้าหรือเปล่าครับกลับสาธุครับพระอาจารย์ไม่บ้าหรอกแต่ก็อย่าไปไปบ้ากับมันไง่าไงนะก็คิดว่ามันเป็นเหมือนกับดูหนังท่านี่เอง เวลาเกิดขึ้นก็พิจารณาให้มันเป็นตายรักษไปหมดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ให้รู้แล้วปล่อยวางเท่านั้นเองขอคําถามสุดท้ายนะมันใกล้เวลาใช่ไหมเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะกราบนรรมชาการพระอาชาถ้ามาอาศัยอยู่ที่วัดแล้วแต่ไม่ช่วยงานของวัด ฝึกปฏิบัติทำอย่างเดียวกับช่วยงานวัดด้วยและปฏิบัติทำด้วยจะมีผลต่อการบรรลุธรรมต่างกันไหมเจ้าคะก็อย uh ู่ที <h <h ่นโยบายของวัดว่าเขาจะมีอย่างไรบางวัดก็บอกไม่ต้องทําอะไรเลยให้ปฏิบัติอย่างเดียวบางวัดก็บอกต้องมาช่วยกันบ้างมีงานก็ต้องทําก็แล้วแต่นโยบายของวัดกฎของวัด บางวัดเขาว่าไม่ต้องทําให้ไปภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวเราจะส่งข้าวส่งอาหารไปให้ก็มีบางวัดบาก็ต้องลองมาช่วยกันบ้างทํากับข้าวช่วยในโรงครัวร้างถ้วยร้างชามอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าวัดเขามีกฎอย่างไรแล้วก็ทําตามเข้าไปเาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงเอาเบาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธ <สา S 2> ุ